สวัสดีครับท่านผู้ชม มนั่นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีต้องเป็นของเราความสุขโชคดีต้องเป็นของเรา ธัรมะนั่นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิดใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบันฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีบันฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่ง วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีต้องเป็นของเราความสุขโชคดีต้องเป็นของเราธรรมะคนดีคนมีธรรมะธรรมะสวัสดีครับ